เอาวันนี้วันนี้จะอธิบายเรื่องเวทนาเพิ่มเติมเพราะเวทนาที่พระพุทธเจ้าบอกไ ว, ว้ว่ามันเป็นมันชัดเจนมันชัดเจนไหมว่ามันเห็นด้วยจิตเหมือนกับจับต้องได้อย่างที่ว่าจับต้องได้เห็นชัดเจนแล้วก็มันได้สู้สู้แล้วก็อาการสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตเราเราก็รู้เราก็ได้เห็นว่าจิตเรามันมีอาการยังไง จากกายมาเวทนาเวทนาก็เข้าสู่จิตถ้าจิตระวางได้มันก็จะรู้ว่าเออธรรมะเป็นยังไงมันรัดสั้นมันตรงมันตรงเข้าไปถึงแนวทางของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นวิธีอื่นบางทีมันทําให้จิตของเราเนี่ยมันหลงไปเหมือนมีบางคนที่เข้ามาใช้หลักพิจารณาพิจารณาเสร็จแล้วก็พิจารณาความไม่มีอะไร ความปรุงแต่งแล้วก็ไปสู่ความไม่มีอะไรจิตมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาเขาก็บอกว่าเอออันนี้แหละเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคงที่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าสมาธิตัวนั้นคือ น, นิพพานไปแต่บอกเออนี้ไม่ใช่นะที่พิจารณานั้นถูกเลยแล้วพิณานความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเพื่อให้จิตสงบเท่านั้นเองเพอจิตปล่อยวางได้จิตเป็นสมาธิเท่านั้นเอง ต้องฝึกสมาธิให้มีกําลังเสียก่อนแล้วมันถึงจะมาเห็นขันห้าชัดเจนว่าไม่ใช่ของเรามันถึงจะปล่อยจะวางอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเวทนาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมีจะมีกรรมฐานเบื้องต้นของตัวเองอันนี้ก็ธรรมดากรรมฐานเบื้องต้นตัวเองก็คือว่าบางคนอาจจะบริกรรมพุทโธ บางคนก็จะลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้าพูดลมออกโทรบางคนก็อาจจะเป็นพองหนอยุบหนอลูปนามก็เพื่ออะไรตรงนี้ก็เพื่อให้มีสติมีเขาเรียกว่าสติเบื้องต้นล่ะยังไม่ใช่สติประธานสี่นะเป็นสติเบื้องต้นเพื่อที่จะไปสู่สติประฐานสี่พอสติเริ่มมีกำลังต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง สติตัวนี้ก็จะไปกํากับจิตควบคุมจิตดูแลรักษาจิตจิตก็จะเริ่มอยู่กับตัวเองได้นานขึ้นเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิอ่อนๆพอทําไปทําไปสติมีกําลังขึ้นมาก็ควบคุมจิตได้ดีขึ้นจิตก็เป็นสมาธินา น, านขึ้นนานขึ้นสมาธิก็คือตัวที่จิตมันเป็นหนึ่งจิตที่มันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าตัวสมาธิเพราะฉะนั้นไม่ว่าถ้าพูดถึงสมาธิแล้วก็หมายถึงว่าจิตจะต้องรวมตัวเข้ามาอยู่ที่อารมณ์เดียวบางคนก็สงสัยว่าจิตรวมเป็นยังไงจิตรวมก็คือจิตเป็นสมาธินั่นเองแต่ก่อนจิตมันกระจายออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มากมายแต่ตอนนี้จิตมันหดเข้ามาเหมือนมาอยู่ที่อารมณ์เดียวสิ่งที่เคยปรุงแต่ง กุ้มลุมจิตก็หายไปแดีว่วสังขารมันดับไปจิตที่กระจายออกไปมันก็หดเข้ามารวมเข้ามาเพราะนั้นอาการที่จิตเป็นสมาธินี่แหละคือจิตรวมจิตรวมก็คือจิตเป็นสมาธิที่มันรวมมันรวมมากหรือรวมน้อยถ้ามันค่อยๆรวมมันก็จะรู้สึกว่าค่อยๆสงบค่อยๆเข้ามาเป็นอารมณ์เดียวแต่บางคนเนี่ยพอทำปั๊บมันปุบเข้ามานี่มันก็เลยเหมือนกับว่า มันตกต้นไม้ก็มีมันตกจากที่สูงก็มีมันวุบไปจิตมันวุบลงไปหรือเหมือนกันหลุดออกไปนอกอวกาศนอกโลกอันนี้เป็นความรู้สึกตอนที่มันมันวุบตอนที่มันอาการที่ลมมันการที่จิตมันหดเข้ามามันก็เหมือนกับมันมีผลต่อร่างกายด้วยมันก็ลมมันวุบเข้ามาหรือมันมีอาการของมันขึ้นมาเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้ว ถ้าหากว่าจิตเนี่ยมันเริ่มเป็นสมาธิใหม่ๆบางทีมันจิตมันก็สร้างมโนภาพขึ้นมาได้มันเล่นรอดออกไปบางคนก็มีนิมิตบางคนก็มีภาพมโนภาพเนี่ยคือจิตมันมันสามารถจะสร้างมโนภาพได้บางทีความคิดของเรามันก็เป็นภาพขึ้นมาได้สติคุมจิตไว้ทีนี้จิตมันกําลังมันยังไม่พอสมาธิไม่พอสติกําลังไม่พอเนี่ยไอตัวจิตนี้มันเคยชินกับการนึกคิดปรุงแต่ง มันก็อดที่จะคิดไปไม่ได้ตอนมันจะคิดเนี่ยมันมันก็มีอาการของมันแล้วมันรวดเร็วมากเมื่อสติไม่ทำเนี่ยจิตมันก็สามารถสร้างมโนภาพขึ้นมาได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงวางหลักเอาไว้ว่าต้องไม่ยินดีไม่ยิน้ายไม่ว่าอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมันจะไปเอาเรื่องเอาลาวอะไรมาก็ตามเห็นบางทีก็บางคนมีนิสยัยเห็นของจริงก็มี เป็นพวกอะไรนี่แหละที่มันตาเนื้อเรามองไม่เห็นแต่เวลาอยู่ในสมาธิขึ้นมันตรงกันพวกนี้ก็มาก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ถ้าใครไปหลงยินดียินร้ายกับมันอ่ะบางทีมันก็สามารถทําให้เราหลงผิดไปและอย่างบางทีจริงนะบางทีจริงมีประโยชน์แต่ถ้าเราไปยินดียินร้ายเนี่ยไอ้พวก พวกที่มันเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกันเราอะ่ะที่ไม่ชอบใจเรามันก็แทรกแซงมาทําให้เราหลงไปได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเข้ามาควบคุมจิตให้ได้แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้จิตเนี้ยไปยิน ด, ยนดียินร้ายกับอะไรถ้ามันยินดีก็รู้ว่ายินดียินร้ายก็รู้ว่ายินร้ายเพราะฉะนั้นจิตของเราก็จะเป็นกลางๆเรื่อยไปพอวางใจถูกแค่เนี้ยอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ บางทีเข้าไปในป่าในเขาในป่าช้าเนี่ยถ้าในป่าในเขาส่วนใหญ่พวภูมิเขาจะค่อนข้างสูงหน่อยบางทีก็มีอะไรให้เห็นบ้างมีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้างถ้าว่าหลักจิตไม่ยินดีมีอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นทำให้เราเนี่ยได้ได้ทดสอบมีเครื่องทดสอบาในป่าช้านี่ส่วนใหญ่ภูมิมันค่อนข้างต่ำ เป็นพ่ภูมิที่หลงผิดมากๆมันก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแบบหนึ่งนะมันก็วูบวาบรู้สึกว่ามันขยักขแยงแล้วแต่ภูมิจิตของเขาเป็นยังไงมันก็จะมาสัมผัสสําหักสัมพันธ์กับเราถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีหลักไม่ยินดีไม่ยินไลมันก็มีผลอะไรต่อจิตของเราก็รู้ว่าเป็นอาการที่มันมีพลังงานที่มีความรู้สึกแบบนั้นคือมันจิตของเขามันต่ํามัน มันมีพลังงานมันมีความรู้สึกขึ้นมาด้วยเราก็รับรู้มันก็มีผลต่อจิตเราแต่ถ้า ร, ารู้ว่านี้มันเป็นเวทนาข้างนอกเป็นสังขารข้างนอกเราก็ปล่อยวางมันได้คือเราก็ไม่หวั่นไหวยังมีคนหนึ่งที่ขึ้นไปที่วัดภูไม้ฮาวไอในนั้นเราก็มีป่ามีไปไปทำแค่ททำที่ไว้ เสนาสนะป่าไว้ให้ได้ฝึกให้ได้ต่อสู้เขาเข้าไปครั้งแรกกขาขนลุกเขาวะที่จริงก็ไม่มีอะไรรู้อยู่ไม่มีอะไรเพราะกลางวันก็ไปดูมาไปดูมาก็มีแต่ต้นไม้มีแต่หินมีแต่อะไรไม่รู้สึกน่ากลัวเลยแต่พอไปกลางคื น, นเนี่ยไปคนเดีย ว, วอ่ะโอ้จิตมันสร้างขึ้นมาอ้โหเกิดขนลุกขึ้นม า, าวะแล้วเกิดความกลัวอย่างรุนแรงเลยก็พยายามที่จะสู้กับตัวเอง ก็พยายามที่จะบอกตัวเองไม่มีอะไรกลัวอะไรก็สงบบ้างเดี๋ยวก็หลุดออกไปบ้างสงบบ้างหลุดออกไปบ้างแล้วเขาก็ถามว่าถูกต้องไหมะถูกต้องไหมเจ้าคะอ๋อใช่ก็ต้องอย่างนี้ไปก่อนต้องสู้ไปก่อนอย่างน้อยก็ได้เห็นมันมันดับไปบ้างอย่างนี้มันก็แสดงว่าก็พอรักษาจิตได้แต่ความกลัวไม่ได้หายไปเขาบอกก็แสดงว่าเออเราเริ่มฝึกฝนแล้ว เนี่ยอันนี้เป็นเวทนาทางจิตเระบอกเขาก็ถามมาถ้าหาว่าเราสู้เวทนาแล้วเราปล่อยวางเวทนาได้เราจะปล่อยวางความกลัวได้ไหมเวทนาทางกายเนี่ยถ้ามันเคยต่อสู้กับเวทนาทางกายมันจะรู้วิธีต่อสู้กับเวทนาทางจิตไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตเนี่ยมันก็จะดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตเหมือนกับดูไอความทุกข คลุกเวทนาทางกายแล้วมันก็จะรู้ว่าไม่ใช่ของเราเหมือนกันแล้วมันจะปล่อยวางได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายจริงๆมันก็เรื่องเวทนานี่แหละเพราะว่ามันหลงเวทนามันก็เลยไปสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาอย่างมันเห็นอะไรมั น, มนอยากทําให้ตัวเองมีความสุขมันก็อยากเอาเข้ามาแล้ว ถ้าว่ามันทำให้เกิดเรามีความทุกข์ไม่สบายเราก็อยากจะทำลายมันอยากให้หายไปไม่อยากไปเกี่ยวข้องเนี่ยตัวเวทนาเนี่ยท่านถึงว่ามันเป็นเหมือนกับศูนย์ ร, รวมของเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงเน้นว่าถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิไปถ้าเราใครตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าไม่ถึงเวลาเลิกเราจะไม่ขยับ อันนี้อย่างน้อยก็เป็นความตั้งใจที่จะดูเวทนาที่จะสู้เวทนาให้ความตั้งใจตรงนี้มันก็คือตัวความเพียร น, นี่เพราะฉันเป็นเครื่องวัดชนิดหนึ่งว่าจิตเรามีความเพียรไหมถ้ามีความเพียรเนี่ยมันจะมีความตั้งใจแล้วมันจะไม่กลัวให้เราเรานั่งแต่ละครั้งนี่อย่างเก่งก็ชั่วโมงชั่วโมงกว่ารู้สึกจะไม่เคยเกินสองชั่วโมงส่วนใหญ่ระยะนี้ก็ประมาณ เี่ยสองสองทุ่มกว่ากว่าสองทุ่มครึ่งสองทุ่มสี่สิบห้าเผื่อๆไว้หมายว่าชั่วโมงกว่ากประมาณชั่วโมงสิบนาทีาแค่ชั่วโมงสิบนาทีถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจมีความเพียรเราไม่กลัวตายอ่ไม่กลัวกลัวนี่คือกลัวตายกลัวร่างกายเป็นนู่นเป็นนี่มันจะเป็นยังไงให้มันเป็นนี่คือจิตมันมีความเพียรแต่มันก็มีข้อระวังอยู่ตรงที่ว่า ถ้าหากว่าร่างกายของใครมันไม่สมบูรณ์อ่ะอย่างบางคนอายุก็มากแล้วอะ่ะกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออะไรมันมันก็ทนไม่ได้เหมือนตอนหนุ่มๆถ้านั่งนานแล้วมันมีผลต่อร่างกายมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยบกพร่องทําให้ร่างกายของเราพิกลพิการเราก็ไม่ทําอันนี้ต้องใช้ปัญญาเข้าไปร่วมด้วย แต่ว่าถ้าหากว่าเราแข็งแรงดีหลายนั่งขนาดนี้มันไม่ทำให้ร่างกายเราพิกลพิการได้เราก็ได้เอาอันนี้เวทนาที่มันจะเกิดขึ้นมาสู้กับจิตเราเพื่อให้จิตของเราได้เห็นได้รู้เรื่องเวทนาแต่ก่อนนี้ลราเรารู้สึกว่าเราเจ็บ แต่ว่าถ้าว่าได้ต่อสู้แล้วเนี่ยสติมันมันมีกําลังขึ้นมาแล้วจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วจิตเนี่ยมันจะมาถอยออกมามันรวมตัวกันแล้วก็ถอยออกมาแล้วมันจะเห็นเวทนาว่าไม่ใช่ของเราถ้าได้เห็นสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็พบชาติในสั้นลงไปเยอะเลยนะแค่ได้เห็นนิดหน่อยอย่างเงี้ยมันเหมือนมันสว่างขึ้นมาที่จิตเลยยวแบบหนึ่งก็โอ้ยังดีเลยนะ นี่แหละสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยท่านอยากให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ของเราหรอกถ้าเห็นว่ามไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่มีทุกข์เพราะฉนั้นเราจรึงให้ทดลองได้เพราะอันนี้มันก็อยู่ในหลักสติปัฏฐานสี่ของพระพุทธเจ้ากายกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานและก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานทีแรกก็สติเบื้องต้น ต่อมาสติเบื้องต้นสติมีกําลังคือมาควบคุมจิตเป็นสมาธิขึ้นมาจิตเป็นหนึ่งขึ้นมาบ้างต่อมาก็พยายามที่จะเจริญสติสัมปชัญญะเรื่อยไปพอมีกําลังขึ้นมาจิตเนี่ยมันก็จะมาดูกายเวทนาจิตธรรมมันจะเข้ามาสู่สติปัฏฐานสีแล้วพระผู้ทธเจ้าก็รับรองด้วยว่า ถ้าสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์โพชฌงเจตจะสมบูรณ์โพชฌงเจตก็หมายความว่าองค์ที่ทําให้เราตัสรู้ธรรมบรรลุธรรมมีเจ็ประการนั้นมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาก็คือมันพร้อมที่จะบรรลุธรรมเหมือนพร้อมจะบรรลุธรรมมรคมีองค์แปดก็จะรวมเป็นหนึ่งแล้วก็บรรลุมรคผลได้บรรลุนิพพานได้เกิดวิชาและวิมุตติคือหลุดพ้นออกจาก ทุกทั้งปวงได้หลุดพ้นออกจากโลกภายนอกได้จิตอยู่เหนืออารมณ์ต่างๆได้เมื่อทบทวนดูคำสอนของบุตรเจ้าแล้วมันมีประโยชน์มันเป็นทางออกที่ถูกต้องเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเราจึงไม่ลังเลสงสัยแต่ทีนี้เวลามันมันมันมีเวทนาึ้น ม, มันรู้สึกเจ็บปวดอะเพราะทุกขเวทนานี่มันชัดเจนสุขเวทนานี่ไม่เราก็ เป็นมันเป็นธรรมดามันสบายอ่ะมันก็ไม่ได้ต่อสู้อะไรมากมายมันไม่มีความทา้าทายแต่ถ้าทุกขเวทนาเนี่ยมันต้องอาศัยกําลังจิตที่สูงขึ้นเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันชอบเอาสบายมันไม่อยากไปมีทุกข์เพราะฉนั้นถ้ามันทุกข์ขึ้นมาถ้าหาว่าเราพร้อมเราสู้เราอดทนนี่อย่างน้อยความอดทนเพิ่มขึ้นมาละจิตที่เคยอ่อนแอจะกลายเป็นจิตที่มีกําลังเลย ถ้าจะเอาแต่ความสบายเอาแต่ความสบายทำให้จิตอ่อนแอเมื่อจิตอ่อนแอแล้วจะมีความทุกข์ทุกง่ายแต่ถ้าจิตมีกำลังมันทุกยากเพราะจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กลัวจิตไม่กังวลมันจึงเป็นเครื่องฝึกจิตอย่างดีเลยแล้วมันก็อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย มีสติตามดูเวทนาแล้วก็ให้มีความเพียรอาตาปีเนี่ยความเพียรความพยายามความอดทนนี่แหละพวกอาตาปีทั้งนั้นน่ะมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้นั่นก็คือถ้าเวทนามารุ้นแรงขนาดไหนก็ตามถ้าหาว่าเรารักษาจิตไม่ให้ยินดียินร้ายได้จิตมันก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเห็นว่าเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา มันอยู่ของมันเวทนาก็เป็นเครื่องทดสอบจิตเป็นเครื่องมือฝึกจิตทำให้จิตนี้พัฒนาขึ้นมาทีนี้เพือดูไปตอนแรกเวทนามันก็ถ้ามันเจ็บมากไอ้จิตของเรามันจะไม่สามารถแยกออกจากเวทนาได้จิตก็จะไปคุกกับเวทนาตอนนี้ต้องอดทนแล้วต้องอดทน เพื่อให้จิตเนี่ยมันรู้ว่าเวทนาไม่ใช่จิตถ้าตอนมันกุ้มลุมจิตอยู่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นของเราเป็นตัวเราแต่เราต้องการให้จิตเห็นว่าตัวเราไม่ใช่ของเราก็ต้องอดทนไปจนรอเวลาให้สติมีกำลังขึ้นมาเมื่อสติมีกำลังแล้วสมาธิก็มีกำลังขึ้นมาด้วยปัญญาที่มันรู้อยู่เรามีสมาธิที่รู้ว่าร่างกายกับจิตใจคนละส่วนรู้ว่าเวทนานี่เป็นเรื่องของร่างกาย แต่ความรู hmm. ้ความเข้าใจนี start, ้มันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นด้วยพวกนี้เข้าไปเป็นกำลังของจิตถ้าหาว่าจิตมีกำลังพอเพียงแล้วเนี่ยมันจะถอยออกมาเลยถ้ากำลังมันยังไม่พอมันจะค่อยๆถอยออกมาค่อยๆถอยออกมาพอเราสู้สู้ไปถ้าจิตมีกำลังขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับเวทนานี่ค่อยๆห่างไปจิตค่อยๆถอยถอยออกจากเวทนานั่นก็คือมันเริ่มเข้ามาหาจิตละ แต่ก่อนนี้จิตมันส่งกระแสออกไปยึดเวทนาเพราะว่าเหมือนกับวันเป็นของเราเราเจ็บเราปวดเราทุกข์เราทรมานแต่เราสู้ไว้อดทนไปจิตนี้กําลังเพิ่มขึ้นมาแล้วจิตมันก็เริ่มหดเข้ามาหาจิตพอมันหดเข้ามาหาจิตแล้วเนี่ยเวทนาก็จะอยู่ส่วนเวทนาจิตก็อยู่ส่วนจิตจิตที่เคยไปยึดไปติดไปคล้องเวทนาเหมือนกับมันมันปล่อยวางได้ มันวางอุปท า, านได้แล้วก็เห็นเห็นในจิตเห็นในความรู้สึกว่าเวทนาเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายจริงๆมันไม่ใช่จิตเลยมันไม่ควรไปหลงยึดมันถือมันโอ้แค่นี้ก็โอ้พบชาตสั้นลงไปเยอะเลยเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่ยก็เพราะหลงอารมณ์เนี่ย ขนาดเวทนาเจ็บปวดอยู่แท้ๆมันยังไปยึดว่าเป็นเวทนาของเราก็มีเหมือนกันบางคนก็บอกว่าพอจิตเริ่มเป็นสมาธิละ้วมาเจริญสติปัฏฐานสี่ล้เขาก็มีเวทนาอย่างที่ว่านี้ตอนแรกเวทนายังอ่อนอ่อนอยู่เขาว่าเขาก็สอนจิตเอาไว้สอนจิตก่อนสอนจิตพยายามที่จะ ไม่ให้จิตทํายังไงก็ได้ไม่ให้จิตของเขาไปยุ่งกับเวทนาบางคนก็ใช้วิธีเพ่งลมเข้ามาอยู่กับลมถามว่าถูกไหมถูกต้องอยู่กับลมก็ได้ถ้ามันอยู่ได้อยู่กับลมไปแล้วทีนี้เวทนามันแรงขึ้นน่ะมันก็ต้องวิ่งไปคุกอีกวิ่งไปู้คุกอีกบางทีก็ต้องอดทนมันก็มีหลายมีหลายขั้นตอนมันต้องอดทนก่อน อดทนแลจิตมีกําลังขึ้นมามันวางอีกบางคนเขาก็อดทนไปด้วยแล้วก็สอนจิตไปด้วยที่น่าร่างกายมันกว่าร่างกายเนี่ยเออมันไม่ใช่ของเราหรอกถ้ามันตายลงไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นเวทนามันอยู่ที่ร่างกายเวทนาก็ไม่ใช่ของเราด้วยจิตมันยอมรับขึ้นมามันก็วางได้เหมือนกัน หรืพิจารณาเหตุปัจจัยว่าเออเรานั่งนานนะเลือดลมมันวิ่งไม่สะดวกอ่ะธาตาุต่างๆในร่างกายมันมันไม่สะดวกทํางานไม่สะดวกมันก็แสดงออกมาในรูปของเวทนาเหมือนเราหิวมันต้องการธาตุร่างกายต้องการธาตุมาหล่อเลี้ยงร่างกายมันก็แสดงออกมาโดยการที่ทําให้รู้สึกหิวนี่คือธรรมชาติของมันเมื่อหิวถ้าหาว่าคนที่ เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นร่างกายหิวไม่ใช่เราหิวแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ทําความเข้าใจไม่ได้ฟังธรรมของพราหมณ์เจ้าเล่าหิวทําไม่ได้ตามความต้องการก็ทรมานโมโหหิวโกรธเคืองปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, นาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นแต่สําหรับคนที่เข้าใจเรื่อง เรื่องเวทนาก็รู้ว่าอันนี้ร่างกายต้องการอาหารละเพื่อเอามาหล่อเลี้ยงเราก็หาอาหารมาป้อนให้อะไรที่พอจะเป็นประโยชน์ไปทดแทนส่วนที่มันสึกหลอไปจากร่างกายเราก็หามาหามาด้วยภาวะทางจิตใจที่ไม่ยินดีไม่ยินลายเพราะมันมีความเข้าใจอยู่นี่เป็นปัญญาทันทีเลย แต่ถ้าเราหามาแล้วก็มันเพิ่มตัวตนอะเพิ่มความโลภโกรธหลงอันนี้เราก็ขาดทุนพราเพิ่มกิเลสให้กับเราเวทนาก็เหมือนกันใอเมื่อเรานั่งนานขึ้นธาตุในร่างกายมันไม่สะดวกโดยเฉพาะธาตุน้ํากับธาตุลมเวลาลมวิ่งไม่สะดวกเนี่ยมันเหมือนกับมีผลต่อร่างกายเรา มากมายมันก็จะพยายามที่จะลมก็พยายามที่จะดันไปในการนั่งกดทับลงไปหรือเวทนาทุกเวทนาเนี่ยมันก็บีบคั้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราอดทนสู้เรารู้ว่าอันนี้เป็นมันมามีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นได้ต้องผ่านไปได้ถ้าเราอดทนดู จิตของเราจะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพราะความอดทนภายในจิตสติก็ต้องมีกาลังสมาธิถ้ามีสติตรงไหนสมาธิก็อยู่ตรงนั้นมันอาจจะต่างจากสมาธิใหม่ๆที่มันมีความสุขความสบายมีความสงบแต่อันนี้เป็นสติที่ดูความจริงดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติจิตมันก็เห็นเห็นเวทนา แต่ตัวจิตเนี่ยมันเห็นเพราะฉะนั้นเวทนาไม่ใช่จิตแต่ก่อนดูดูมันเราเจ็บเป็นเราเจ็บความเจ็บเป็นของเราความจิตเป็นตัวเราแต่พอเรามีกําลังจิตขึ้นมาแล้วความเจ็บความปวดเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายมันเป็นสักแต่ว่าเวทนาเป็นแค่เวทนาเนี่ยมันจึงจิตจึงได้เห็นความจริงสามารถ แยกแย่ออกได้ว่าเวทนาทางกายนี้เป็นเรื่องของร่างกายจิตก็ไม่หลงไปยึดมั่นถือมันมันเพราะนั้นบางคนก็สอนสอนจิตให้เห็นว่าอันนี้อยู่ที่ร่างกายนะร่างกายนี้ยังไงยังไงมันต้องตายไปถ้าร่างกายตายไปแล้วเวทนาก็ไม่เกิดเพรา ะ, ะนั้นแสดงว่าเวทนาไม่มีอยู่จริงคือวิธีไหนก็ได้ทําให้จิตนี้มันคลายออกจากเวทนา ทั้งทั้งที่เวทนายังกุ้มลุมอยู่บางคนพอดูจิตดูจิตไปเวทนามันแรงก้าขึ้นมาจิตวิ่งไปพับเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะพอไปดูเวทนาทําไมมันแรงขึ้นนั่นก็คือว่าที่จริงเวทนามันแรงแล้วมันมีแรงดึงดูดจิตจิตก็เลยไปดูจําเป็นต้องดูพราะมันไปนคุกแล้ว เราก็ดูเพื่อให้จิตเนี่ยมันรู้ว่าเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเองก็ต้องอดทนไปก่อนถ้าอดทนได้ดูไปเรื่อยๆกําลังจิตก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะเริ่มเวทนาเนี่ยมันมันก็จะค่อยปล่อยวางได้มากขึ้นเมื่อปล่อยวางมากขึ้นเวทนาเรานั่งนานขึ้นเวทนาก็รุนแรงขึ้นแต่ว่าความอดทนภายในจิตของเราก็สูงขึ้นตามไป มันก็พอสู้ได้แต่ทีนี้บางกรณีที่เวทนาเนี่ยมันมีกําลังมากกว่าปัญญาของเรามากกว่ากําลังจิตของเราเราสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้มันฟุ้งซ่านจิตทัดสายจิตไม่สงบเพราะระวางใจไม่ถูกถ้าวางใจถูกรู้ว่าเวทนาไม่ใช่ของเราเวทนาอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นจิตมันวางได้ก็หมดปัญหาแต่ถ้ากรณีที่จิตวางไม่ได้ เราควรทํำยังไงเราก็ต้องทําดีนี่ถ้ามันถ้าอดทนพออดทนได้อดทนถ้าอดทนไม่ไหวแล้วไม่ได้ประโยชน์แล้วจิตฟุ้งซ่านมากอันนี้ก็จําเป็นจะต้องถอยก่อนก่อนที่จะถอยนี่เราก็ต้องสอนจิตให้รับรู้ก่อนว่าเหตุผลที่เราจะขยับหรือเราจะไปทําอย่างอื่นไปไปอยู่ในท่าอื่นเนี่ยเพรา ะ, ะเหตุผลอะไร เหตุผลก็คือว่าเราไม่ได้ประโยชน์จากเวทนาแล้วจิตของเราไม่มีกำลังพอเราก็ต้องมาสะสมกำลังซะ ก, ก่อนเราอาจจะขยับได้ตั้งหลักใหม่ได้เพราะฉะนั้นเวลามีเวทนาขึ้นมาเนี่ย มันก็เลยได้ต่อสู้ก็มีคนที่บอกว่าเขาใช้หลักพิจรณนาแล้วเวทนาก็ดับไปเขาบอกเขาก็ทำได้เรื่อยมาจนอยู่วันหนึ่งเขาดูเวทนาไปละ่ะทีนี้เวทนามันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเพราะว่ามันเพิ่มเวลาแล้วคราวนี้สอนจิต พินายังไงมันก็ไม่วางเพราะเวทนามันกล้าขึ้นแรงขึ้นเกินกําลังปัญญาของตัวเองแล้วจตก็ไปคุกเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีคืออยากให้เวทนาหายละตอนนี้แต่เขาไม่รู้ตรงนี้หรอกก็คือว่าเราเคยพิจารณาเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ของเราเวทนาอยู่ที่ร่างกายถ้านร่างกายดับไปเวทนาก็ดับไปด้วยหรือเราลุกขึ้นแล้วเวทนาก็หายไปแสดงว่าเวทนาไม่ไม่มีจริง อยู่ชั่วคราวเฉยๆแต่ก่อนนี้คิดแค่นี้ทาได้ปล่อยวางได้แต่ขตอมานี่วางไม่ได้จิตยอมรับอยู่แต่ว่าวิทนาก็บีบคั้นอยู่ก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องได้อดทนละต้องสู้ละสู้จนกระทั่งจิตมันวางข้อมันเองนี่นี่คือเหมือนกับไฟเด็กเนี่ยมันเห็นไฟแล้วมันก็สวยงามในความรู้สึกเขาเขาอยากจับไฟ จะเข้าไปจับไฟผู้ใหญ่ก็ดึงออกมาไปจับไฟผู้ใหญ่ก็ดึงออกมาที่จนวันหนึ่งเขาไปจับไฟล้ววไฟร้อนเขาปล่อยเลยตั้งแต่วันนั้นมาเขาไม่เคยไปจับไฟอีกเลยเพราะเขาร่วไฟร้อนมาถึงจุดนี้ก็คือว่าเหมือนเด็กอยากจับไฟแล้วทีนี้คือจิตมันไปยึดเวทนาแล้วต้องให้มันรู้ให้ได้ว่าวทนานี่เนี่มันไม่ใช่จิต มันก็อยากคุกคุกไปเลยในเมื่อมันมีเชื่อเราแล้วเราสอนแล้วว่าเวทนาไม่ใช่ของเราเวทนาศักว่าเวทนานี่คือเวทนาขันมันมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นนา่งนานก็ต้องมีเวทนาหรือร่างกายของเรา พ, พิกลพิการก็ต้องมีเวทนาขึ้นมามันเป็นเรื่องของธาตุถ้ามันบกพร่องแล้วมันก็ไม่สมดุลพอธาตุขันไม่สมดุลในร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีเวทนาทางกายเกิดขึ้น ซึ่งมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติจะมีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีทั้งโครคภัยไข้เจ็บมีความชุดโทมมันชํารุดชุดโทมมันก็สร้างเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดมืนชาคันขึ้นมาหรือเราทําอะไรก็ตามที่มันเกินกําลังของเรามันก็มีเวทนาเกิดขึ้นหรือเราทํานานทํางาน น, น, นานๆก็เจ็บปวดมืนชาเมื่อยรบ หรือหมดแรงเนี่ยมันก็มีเวทนาทั้งนั้นแหละมันเป็นธรรมชาติมันจะต้องมีเวทนาเรานั่งนานก็รู้อยู่แล้วว่าระบบของร่างกายเนี่ยมันผิดปกติแล้วมันนานแต่ว่าเราต้องการที่จะฝึกจิตของเราถ้าเวทนามามันได้ดูมันได้ดูได้เห็นนะ่ะ มันมีมีความบีบคั้นมันก็มีผลต่อจิตจิตก็ไปดูไปดูแล้วจิตก็จะอยากให้เวทนาหายไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาเราก็พยายามที่จะสอนจิตให้จิตเนี้ยไม่ไปคุกกะเวทนาให้จิตไม่ไปยึดเวทนาสู้ไปสู้มาจิตก็จะถอยออกมาจากเวทนามันก็เริ่มเริ่มรับเรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่คือสะสมปัญญาแล้ว ฝึกไปฝึกไปนี่มันสะสมปัญญาไปในตัวละการปฏิบัติธรรมนี่นิดนึงมันก็สะสมเอาไว้นิดนึงก็สะสมเอาไว้เพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเราทําความดีแบบไหนก็ตามมันสะส ม, มไว้หมดอะรักษาศีลมันก็สะสมไว้ในจิตทานก็สะสมไว้ในจิตภาวนาก็สะสมไว้ในจิตมีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นก็สะสมไว้ในจิตเป็นบารามีของเราเอง เพราะนั้นปัญญานี่มันจะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นบางทีเราถ้าหาว่าเราสู้ไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรดีตรงที่ว่าเราได้ต่อสู้เราได้เห็นว่ากำลังของเรายัางน้อยอยู่ปัญญาของเรายัางไม่พอนะไม่ใช่ว่าเรานี่แพ้ไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้จะว่าสู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากำลังปัญญาเรายัางไม่พอเราก็ต้องฝึกต่อไปสู้ต่อไป แล้วบางคนก็มีคนพูดนะว่าอจะไปทุบทําไมอะ่ะก็เอาสบายๆดีกว่าไปดูอย่างอื่นก็ได้แต่อันนี้เวทนามันชัดเจนเนี่ยมันจับต้องได้มันเห็นด้วยจิตมันรู้ด้วยจิตเราไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปสร้างมันขึ้นมามันเป็นพองมันมันเกิดของมันเพราะฉะนั้นเราจึงเอาเวทนามาสอนจิตเราให้ได้ ว่าไม่ใช่ของเราจริงมีเหตุปัจจัยมันเกิดขึ้นจริงมันไม่ใช่ของเราเพราะนั้นจิตต้องไม่ไปหลงยึดเวทนาถึงมันจะมีทุกข์บีบคั้นก็บีบคั้นในตอนแรกๆเพราะปัญญาเรายัางเข้าไม่ถึงและบางคนก็บอกเอาพูะเจ้าก็สอนแล้วว่าไม่ต้องไปทำให้เป็นอัตตากิลมถานุโยคคือทรมานตนไอ้ทรมานตนหมายว่ามันไมีประโยชน์อะไร ทรมานแบบไม่ไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างนี้มันมีความทุกข์จริงแต่ว่ามันมีประโยชน์แล้วมันก็ทําให้จิตของเราเนี่ยจเจริญก้าวหน้าขึ้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้ทางออกจากทุกทามันรู้วิธีปล่อยวางเวทนาได้มันเรียกว่าปล่อยวางเวทนาได้ ต่อไปมันก็จะรู้วิธีปล่อยวางอย่างอื่นด้วยปล่อยวางวทนาได้ก็ต้องปล่อยวางกายได้เพราะวทนามันอยู่ที่ร่างกายแล้วที่แรกมันก็ไม่มีด้วยเพราะเรานั่งนานมันมีแสดงว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมันจริงไม่มีตัวตนจริงไม่ใช่ของเราจริงนี่มั น, ม, นมันมันมีมีหลักฐานให้เราได้เห็น เห็นอาการที่จิตไปยึดเรื่องราวต่างๆยึดเวทนาแม้กระทั่งเวทนามันเจ็บมันปวดมันก็ยังไปยึดได้ว่าเป็นของเราว่าเราเจ็บเราปวดนี่เราต้องการที่จะเอาเวทนามาฝึกจิตให้จิตมันเห็นเห็นด้วยตัวจิตเองจนกว่าจิตมันจะปล่อยวางได้เอง แล้วเวทนาเนี่ยมันก็ถ้าระวางได้เห็นว่าเวทนาไม่ใช่ของเราจิตเราก็เป็นกลางกลางมันก็เป็นทางสายกลางเหมือนกันทางสายกลางในที่นี่หมายว่าทางสายกลางเพื่อออกจากทุกข์คือจิตไม่ไปยึดอะไรแต่มันจะมีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งว่าเวลามันมีทุกขเวทนาเนี่ยมันจะมีความไม่สบายเกิดขึ้นมันไม่สบาย เหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันดิ้นรนมันทํางานก็ธรรมดาเพราะาเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยมันได้ทํางานนั่นเองมันได้พิจารณาได้เห็นได้ให้มันแจ้งมันชัดว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นระหว่างที่มีเวทนาขึ้นมาเนี่ยมันจึงเหมือนมันชุนลมุนเหมือนกพยายามสอนจิตเหมือนกับพยายามต่อสู้พยายามอดทนเจ็บปวดทรมานก็อดทน แต่ถ้าทนได้จิตก็มีกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีประโยชน์จิตก็ยังเป็นกลางกลางได้อยูท่ทั้งทั้งที่มีเวทนากุ้มลุมเหมือนกับร่างกายเนี่ยร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่จิตเย็นได้จิตเป็นกลางได้จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายได้จิตปล่อยวางได้คุณค่ามันอยู่ตรงนี้ตรงที่จิตนี้มีเครื่องทดสอบเห็นการจัดจดเห็นการชัดเจน ว่ามีความทุกข์บีบคั้นแต่จิตของเราไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยก็แสดงว่าจิตเริ่มรู้วิธีออกจากทุกข์แล้วรู้มากรู้น้อยก็ขึ้นอยู่การฝึกฝนอบรมของเราแต่ถ้าเจ็บปวดแล้วเราหนีมันแล้วเมื่อไหร่อ่ะจิตจึงจะมีปัญญาเมื่อไหร่จิตจึงจะสามารถรู้ทางออกจากทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นถ้าจิตใจของใครมีความกล้าหาญไม่กลัวเวทนามาก็ไม่กลัวนี่คือเรียกว่ากล้ากล้าหาญมุ่งมั่นต้องรู้ความจริงให้ได้บากบันหมายว่าไม่ท้อถอยอดทนเด็ดเดียวคือเด็ดขาดเลยยังไงยังไงก็ต้องรู้ให้ได้นี่ก็ต้องสู้ มันเจ็บมันปวดไม่เป็นไรแต่จิตของเราต้องไม่ไปยินดียินร้ายจิตของเราต้องเป็นกลางกางอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปปัญญาก็ต้องมาสอนจิตอบรมจิตให้รู้ความจริงว่าเวทนาอยู่ที่ร่างกายจริงๆแล้วถ้าจิตปล่อยวางเวทนาทางกายได้มันก็ปล่อยวางร่างกายได้ทําปล่อยวางร่างกายวางเวทนาได้ ต่อไปมันก็จะเข้าหาจิตได้มากขึ้นเพราะตัวจิตเนี่ยมันคลายออกจากความหลงผิดมากขึ้นแล้วไอ้สิ่งที่จิตเคยหลงเคยยึดเคยติดเคยคล้องมันรู้ความจริงแล้วมันเหมือนถูกตัดออกไปถูกละถูกวางออกไปเพรา ะ, ะนั้นผู้ที่เห็นเวทนาชัดแจ้งว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าพลังมันมากพอเนี่ยมันก็คือบรรลุมรคน พอปล่อยกายได้ก็ปล่อยเวทนาได้ปล่อยกายได้ปล่อยกายได้มันก็จะมาชัดที่จิตด้วยมันจะไปพร้อมๆกันหมายว่าจิตที่ยึดเนี่ยมันก็ไม่ไปยึดเนี่ยมันก็ปล่อยความรู้ความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นกายเห็นจิตธรร ม, มะก็คือว่าจิตของเราปล่อยวางได้จริงไม่ยึดมันถือมันจริงความรู้ความเข้าใจมันเพิ่มขึ้นเร็ววิชา บางเบาลงไปแล้วความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปด้วยกันนี่การรู้ความจริงเนี่ยมันไปพร้อมกันเลยทั้งกิเลสก็เบาลงตัณหาเบาลงอุปทานเบาลงอวิชชาเบาลงมันก็คุ้มค่ากับการที่เราต่อสู้แล้วจิตของเราก็จะเข้มแข็งมีกําลัง ทุกวทนาเล็กๆน้อยๆมาไม่กลัวแล้วทีนี้เคยผ่านมาแล้วถ้ามันชัดเจนเห็นเวทนาชัดเจนว่าไม่ใช่ของเราเด็ดขาดลงไปครั้งแรกกันนี่แหละพระโสดาบันสามารถเข้าถึงอริยมรรคอริยผลด้วยอาศัยเวทนาได้ แต่ในขณะดูเวทนานี่มันก็มีอย่างอื่นด้วยบางทีมันวางเวทนาแล้วมันก็ต้องมาดูกายเวทนาจิตทมหรือมาดูขันห้าอีกนั่นแหละมันวนเวียนอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่ได้หมายของว่ามันต้องสู้เวทนาตลอดยี่ี่ชั่วโมงหรือตลอดเวลาที่เรานั่งพอถ้ามันปล่อยได้มันก็มาอยู่กับกายเราจิตเรามาดูขันห้ามันก็จะมาทําให้อย่างอื่นชัดเจนขึ้นหรือมันปล่อยแล้วมันนิ่งอยู่เฉยเฉยก็ได้เพราะว่ามันทํางานแล้ว จิตมันวางแล้วมันก็มาพักแต่มันเป็นการพักที่เสร็จงานเสร็จการระดับหนึ่งแล้วหรือพักในขณะที่มันรู้อยู่ด้วยว่าเวทนาก็ยังอยู่นะแต่จิตเราไม่ได้ไปเกาะไปเกี่ยวนะไม่ได้ไปยึดนะนี่คือพักในงานพักแล้วก็จะงมีความรู้ด้วยแล้วขณะเดียวกันมันก็จะไปแจ้งในขันห้าของเรานี่แหละ ว่าอันนี้คืออะไรนั่นคืออะไรมันจะเห็นมันก็หมุนอยู่ในสติปัฏฐานสี่มุนอยู่ในขันห้ามันทำให้ตัวอื่นชัดด้วยบางทีตอนที่จิตมันพักอยู่นี่บางทีก็พักอยู่เฉยๆบางทีพักไปด้วยทำความเข้าใจเรื่องขันห้าไปด้วย เวทนามาใหม่มันก็ต้องไปสู้อีกพ่อมันมีผลต่อจิตแล้วแสดงว่าจิตของเรายัางเวงวางเวทนาไม่หมดวางไม่สนิทอย่างเวทนาก็มีผลต่อจิตเพราะนั้นในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีคนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ท่ามกลางเวทนาเลย พระบางองค์มีคนจ้างให้มาฆ่าอัานนี้มีประวัติอยู่ในพระไตรปิฎกไม่พูดรายละเอียดวันนี้แต่พูดให้รู้ว่าท่านนั่งสมาธิอยู่มีคนจะมาฆ่าท่านเขารับจ้างมาท่านขอเวลาคืนหนึ่งรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแน่ๆ แ, แล้วเพราะาตอนท่านออกบวชนั้นท่านมีเงินมากเป็นลูกมหาเศรษฐี น้องสะพ้ายก็อยากได้เงินมากกลัวลุงจะสึกออกไปก็จ้างให้คนมาฆ่าท่านขอเวลาคืนหนึ่งพวกรับจ้างมาฆ่าพวกโจรเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอะไรค้ำประกันให้ไม่ได้ถ้าท่านหนีไปพวกเขาก็ไม่ได้เงินท่านบอกเราขอค้ำประกันตัวเราเองทุบเขาเลยยกหินอยู่แถวนั้นทุบเขาทัานทีเลยสองข้างนี่คือใจมันกล้าหาญมากเพราะรู้ตัวว่าต้องตายแน่ ใจมันเลยเด็ดขาดลงไปก่อนตายจะเอาเทนทำให้ได้ทุกข์เขาแตกเดินไม่ได้แน่นอนพวกนี้ก็เลยยอมจำยอมต่างสู้เวทนาอย่างเดียวเลยมันก็ได้แต่ปวดหนอปวดหนอสู้ความปวดไปจนไปถึงเที่ยงคืนตั้งแต่หัวคำ่ำถึงเที่ยงคืนกําลังจิตมันพอทีนี้เย็นว่าบเข้ามาเลย จิตวางเวทนาได้อุทานออกมาทันทีเลยโอ้เวทนาเนี่ยดีจริงๆหนอถ้าเราพิจารณาอย่างอื่นคงไม่รวดเร็วอย่างนี้นี่มีตัวอย่างเลยถ้าเราพิจารณาอย่างอื่นคงไม่รวดเร็วอย่างนี้โชคดีที่เราได้พิจารณาเวทนาทีนี้เวทนาก็ยังอยู่นะไม่ใช่หายไปเพราะนั้นบางคนบอกว่าอยากให้เวทนาหายอันนี้เป็นความอยากอีกละต้องการให้จิตรู้ แล้วก็ให้จิตปล่อยวางเวทนาพั้ทั้งดีเวทนายังอยู่แต่เวทนาไม่มีผลตัดจิตจิตรู้ว่าเวทนาอยู่ที่ร่างกายจริงๆมันไม่ออกไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวขึ้นมาจากนั้นพลวางเวทนาได้สนิทละมันก็วางกายได้ด้วยเพราะเวทนาอยู่ในร่างกาย นานเข้า น, านานเข้าเวทนาไม่มีผลต่อจิตอีกต่อไปจิตมันยังทำงานได้ในจิตเนี่ยมันก็จะมีเวทนาทางจิตมีอาการของจิตจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปสุดท้ายตัวปัญญาญาณแก่กล้าขึ้นมาสู้ไปสู้ไปพัฒนามาเห็นความรู้สึกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นจนมันรู้เด็ดขาดเลย ตัวจิตเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราด้วยมันจะวางจิตพอวางจิตแล้วอาการของมันเนี่ยมันก็อยู่กับที่คนที่เขาเห็นนั่นแหละวันวางยังไงมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนอีกต่อไปใจก็ว่า ง, างจิตว่างรู้อยู่แต่เหมือนจิตไม่มี จิตว่าก็บรู้เป็นผูาหลานได้อยท่านก็บรู้ผูรหานตอนเชา้าพอเริ่มสว่างก็บรู้เป็นผู้หลานสมกับที่ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาอื่นคงไม่เร็วอย่างนี้ท่านสามารถบรรลุเป็นผู้หลานได้ภายในคืนเดียวกําลังจิตต้องสูงมากต้องพร้อมจะสู้ พร้อมที่จะอดทนถ้าใครที่อดทนได้นั่นคือกำลังจิตสูงเอาจนจิตวางเองไม่ใช่เราอยากวางนะไม่ใช่เราพออยากให้มันวางพอวางไม่ได้เราก็สู้ไม่ไหวแล้วเพราะเราไปอยากวางอันนี้ไม่อยากวางได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ามันวางได้ก็มันจะรู้สึกเบาสบายเวลาเราออกจากสมาธิแล้วจะเบามาก ความยินดียินร้ายจะน้อยลงไปแต่ถ้ากำลังไม่พออันนั้นเราก็รู้ว่ากำลังยังไม่พอยอมรับว่าสู้ไม่ไหวจริงๆสู้ไม่ไหวก็เหตุผลก็คือกำลังเรายัางไม่พอก็ต้องสะสมกำลังต่อไปมันไม่ใช่ว่าจะได้วันเดียวขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของเราเมื่อเหตุปัจจัยของเรามันยังไม่พร้อมเราต้องสู้ต่อไป บางครั้งเคยมันแยงมันขยักมันแหย่งอ่ะมันแหยงคือมันไม่สู้อ่ะก็ต้องใช้ปัญญาอบรมจิตตัวเองปลุกจิตใจให้เข้มแข็งนี่มันก็เป็นปัญญาชนิดหนึ่งที่มาสอนจิตแก่จิตตัวเองได้แก้ไขจิตตัวเองได้เพราะเรื่องทุกเรื่องมันมาจากจิตนี่แหละแล้วก็มีองค์หนึ่ง อันนี้บรรลุธรรมถ้ำกลางปากเสือคือเสือ้าบท่านไปแล้วก็มีพระไล่ตามไปจะไปช่วยเหลือแต่เสือมันกระโดดข้ามหิวพระตามไปไม่นก็บอกว่าออพวกผมช่วยท่านไม่ได้แล้วท่านต้องเอาประโยชน์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพอรู้ว่าไม่มีใครช่วยได้แล้วจิตของท่านก็ คดเข้ามาทันทีเลยหมาก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นต้องพึ่งจิตตัวเองแล้วมันเจ็บกดจ่อเข้าไปเลยไม่ให้จิตฟุ้งซ่านไปทางไหนมันคาบไปเสร็จแล้วพอไปถึงที่มันก็วางลงมันก็เริ่มกัดกินกินข้อเทา้าแต่จิตของเทา้าของท่านเด็ดขาดมากจิตกินลงไปก็ตัดประหารออกไปเลยบรรลุพระรโสดาบันกินไม่อีกใจน่าเด็ดขาดอีก สลัดออกไปอีกบรรลุพระสกิธาคามีกินขึ้นมาอีกบรรลุพระนาคามีกินขึ้นมาอีกบรรลุพระหลานนี่คือใจมันเด็ดขาดแต่ถ้าหาว่าเราจินตนาการว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ถ้าใครทดลองปฏิบัติแล้วรู้ว่ามันเป็นไปได้แน่สุดท้ายจิตมันจะไม่ยึดอะไรหรอกถ้ากำลังมันพอมันจะต้องปล่อยของมันหมด แต่พอเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมกําลังจิตเรายังไม่พอเราไปคาดคะเนเอาไม่ได้แต่ถ้าเราเพียรพยายามต่อไปเวทนาที่เราไม่เคยผ่านเราจะผ่านมันเป็นไปตามลําดับลําดับแต่ถ้าในระหว่างที่เวทนายังไม่เกิดขึ้นเราต้องพยายามไม่ให้นิวรณ์มันครอบงำเราเพื่อให้จิตเนี่ยมันพร้อม จะพิจารณาอย่างอื่นไปก็ได้มันก็ไม่ขัดข้องเพราะมันก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแต่ว่าหลักธรรมของพระเจ้าเนี่ยต้องเข้ามาเห็นของจริงถ้าจะอบรมจิตก็อบรมจิตเพื่อให้จิตสงบนี่นี่คือใช้ปัญญาอบรมจิตให้เป็นสมาธิปัญญาในที่นี้คืออาศัยความจริงหรือได้ยินได้ฟังธรรมะ ของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ใช้ปัญญาของคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านบรรลุแล้วท่านพ้นแล้วท่านมีปัญญาของท่านแล้วแต่ของเรานี่ยังฝึกฝนอยู่ยังไม่มีปัญญาที่แท้จริงคือยังไม่เห็นพระตั้งใจรักจริงๆยังไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจริงแต่เราอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าน้อมเข้ามาสอนจิตเรารวมทั้งเราก็พออนุมานได้ เช่นความตายอย่างนี้คนเกิดมาแล้วไม่ตายมันก็ไม่มีเราอนุมานเข้ามาแล้วจิตของเรามันก็หดตัวได้ในขณะที่มันกำลังดินน้นรนพอระ ล, ลึกถึงความตายขึ้นมามันก็หดตัวได้นี่คือใช้ปัญญาอบรมจิตแต่เป็นปัญญาคนอื่นเมื่อมันมีเป็นสมาธิแล้วเราก็พยายามให้มันสมาธิมีกำลังเพิ่มขึ้นเจอมันตั้งมัน คือสตินี่แหละมีกาลังมันทำให้จิตมั่นคงจิตมั่นคงจิตตื่นตัวจิตก็ตั้งมั่นได้มันไม่สัดสายไม่ฟุง้งซ่านแล้วก็ต้องมาให้มาเห็นความจริงเพราะนั้นการดูเวทนานมันดูของจริงเห็นว่าไมเวทนาไม่ใช่เราก็เป็นของจริงที่เกิดขึ้นกับจิตเรามันจริงไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราหลงผิดนอกจากความอยากของเราที่อยากให้เวทนาหายเราก็จะรู้มันเป็นความอยากนี่แหละคือตัวตัณหา มันซ่อนอยู่ในจิตของเราไม่มีโอกาสมันยังไม่โผล่กมาให้เห็นเพราะนั้นการสู้เวทนามันทําให้ธรรมะอื่นๆโผล่เข้ามาด้วยเห็นตัวตัณหาต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่นี่ถ้าเห็นว่าตัณหามันก็ดับไปได้ถ้าเราสู้ต่อไปตัณหาดับไปนี่ก็เหตุแห่งทุกข์ดับไปเมื่อเหตุแห่งทุกข์ดับไปทุกไม่มีในขณะนั้นก็เป็นนิโรธอริยสัจสีก็เริ่มปรากฏขึ้นแล้ว เนีจะเห็นธรรมต้องผ่านอริยสัจสีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะมีธรรมะของพระพุทธเจ้ารองรับหมดเลยมันก็อยู่ที่วันเราเนี่ยกล้าหารไหมมีความมุ่งมั่นบากบั่นไหมมีความตั้งใจที่จะสู้ไหมเพื่อให้ได้เห็นธรรมอันแท้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกให้กําหนดรู้ ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสภาวะทุกข์กรตามหรือทุกทางจิตใจซึ่งเกิดจากตัณหาเกิดจากบุปท า, านเกิดจากอวิชชาเราเห็นหน้าตามันทุกให้กําหนดรู้เมื่อกําหนดรู้แล้วมันจะทวนเข้าไปหาเหตุแห่งทุกเหตุแห่งทุก ค, คือตัวอยากที่ไม่อยากให้เป็นอย่างที่มันเป็นอยากให้เป็นอย่างที่เราต้องการนี่เราคือตัวตัณหาวิพัตตนาอยากเอาสบาย ไม่อยากมีทุกข์ไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดนี่คือวิภาวะตัณหาตัวที่อยากเอาสบายก็คือภาวะตัณหาเราก็จะไปหลงบำรุงบำเลอปอนเปอร์มันเพราะอยากให้มันสุขก็เป็นกา ม, มาตัณหานี่ก็คือความหลงผิดในจิตเราคราวนี้เราต้องให้เห็นชัดๆเลยเอาของจริงมาดูกันเลยเป็นของเราจริงไหม ถ้ามันชัดเจนเมื่อไหร่มันจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เมื่อไหร่โอ้ทุกนี่เบาทันทีเลยแค่แค่เห็นเด็ดขาดลงไปเนี่ยเป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยทุกเท่าภูเขาปุถุชนทุกเท่าภูเขาพระโสดาบันก็แค่ขี้เล็บคือมันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องราวต่างๆเอาเข้ามาให้ตัวเองเป็นทุกข์มันก็เบาได้ หรือบางทีท่านก็เปรียบเทียบกับเขาสุเมรุเขาสุเมรุนี่เป็นเขาที่ใหญ่ที่สุดแต่มันอยู่ในอากาศนะใหญ่มากถ้าทุกของปุตุชนเทียบกับเขาสุเมรุลาชาแห่งภูเขาทั้งหมดทุกของพระสวดรบัรเท่ากับก้อนกวดเจ็ดก้อนโอเบาที่สุดแล้วสบายที่สุดแล้วแล้วสมบัติที่ได้อย่างนี้ประเสริฐกว่า สมบัติของพระมหาจากักรพรรดิมหาจากักรพรรดนี่หมายก็ว่ามีบรารมีมาก อ, ะอ่ะมีรองเท้าแก้วมีอะไรแก้วเยอะแยะไปหมดไปทางไหนก็คนจะยอมหมดอะ่ะโดยไม่ต้องล บ, บมีบารมีแต่ว่าการได้เป็นพระโสดาบันนี่ประเสริฐกว่านี่พระเจ้ายกย่องสรรเสริญมากแล้วมันก็เป็นหลักธรรมของพุทธเจ้าด้วย ไม่มีอะไรสงสัยเลยว่าจะผิดไปจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นธรรมะที่พระเจ้ารับรองด้วยว่ามันชัดเจนว่ามันรวดเร็วจับต้องได้ไม่กลัวผิดไปจากหลักธรรมของพระองค์เอาต่อไปให้นั่งตามลำพัง พยายามให้รู้ตัวนะพยายามให้รู้ตัวบางคนก็จิตมันปล่อยเวทนาได้ถ้าปล่อยเวทนาได้เวทนายังอยู่แต่จิตของเราไม่ได้เข้าไปเกาะเกี่ยวเวทนาเวทนาไม่มีผลต่อจิตนี่คือจิตปล่อยวางเวทนาได้ถ้าบางคนที่ปล่อยวางเวทนาได้เด็ดขาดเวทนาไม่มีผลต่อจิต ก็ต้องมาดูที่จิตมาจิตของเราอยู่ยังไงจดจ้องอยู่ที่จิตขณะที่ดูจิตถ้าคนที่ปล่อยได้สนิทก็จะรู้ด้วยว่าเวทนาไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเรามันจะสัมพันธ์กันไมหมดเลยนะขันห้าไม่ใช่ของเรามันก็เหลือแต่จิตมันก็จะจ้องอยู่ที่เดียว มันก็จะดูเหมือนดูเวทนาเลยดูจิตเนี่ยรอเวลาที่จะให้ปัญญายานปล่อยวางจิตเนี่ยเหมือนปล่อยวางเวทนามันไปที่เดียวกันหมดถ้าใครปล่อยวางจิตได้มันก็เหมือนจิตว่างเหมือนจิตไม่มีก็หมดงานตรงนั้นไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตได้ต่อไปทุกอย่างผ่านเข้ามาก็มีแต่ความเกิดดับ เกิดแล้วกระดับไปผ่านมาผ่านไปจิตก็ไม่หลงอารมณ์ไม่ยึดอารมณ์ต่อไปจิตก็เป็นอิสระรูปผ ล, ลเนี่ยอารมณ์ของโลกไม่สามารถมามีผลต่อจิตได้คือไม่มีผลในทางที่จะให้เป็นทุกข์ควรเกี่ยวข้องอยังไงก็เกี่ยวข้องไปไม่ควรเกี่ยวข้องก็อยู่เฉยๆได้อยู่ตามลำพังได้ เออตเรียมตัวเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะหมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแด่ประธรรมแด่ประสงค์ขอให้การปฏิบัติธรรมของข่าวประชาในวันนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าทําความรู้สึกเหมือนว่าร่างกายของเราจิตใจของเราทั้งหมดเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาทําความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ย เหมือนกับเป็นดอกไม้เป็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้าไปแล้วจะได้ฝึกปล่อยวางไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเหมือนกับว่าเราเอาสิ่งของเอาวัตถุอะไรไปบูชาเราก็ต้องวางสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ให้มันเป็นเครื่องสักการะบูชาเราก็เลยมาวางกายวางจิตของเราวางเวทนาวางทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเหมือนเป็นเครื่องบูชาจริงๆ การปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาอย่างแท้จริงเป็นการบูชาที่สูงที่สุดแล้วก็ดูเป็นโอกาสสุดท้ายว่าวันนี้เราปฏิบัติแล้วเป็นยังไงถ้าหากว่าเออเรามันยังมีความบีบคั้นมาก เราก็ไม่เป็นไรเราสะสมปัญญาเรื่อยไปหรือถ้าใครสามารถวางได้ก็เห็นช่องทางว่าสามารถออกจากทุกข์ได้แน่นอนเพราะทุกข์กาลังเกิดขึ้นเราวางทุกข์ได้แล้วมันก็มาโล่งมาปร่งมาเบาที่จิตของเราก็เริ่มเห็นทางแหละถ้าใครเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงชั่วขณะใดขณะหนึ่งก็ตามนี่แหละทางเรียกว่าจุลโสดาบัน พระโสดาบันน้อยๆโสดาบันน้อยๆก็คือว่ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแต่เห็นทางแล้วว่าถ้าจะเข้าถึงพระโสดาบันจิตต้องรู้จักปล่อยวางขันห้าได้ปล่อยวางกายวางวิชนาวางจิตได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็เรียกว่าเห็นธรรมะเนี่ยธรรมะปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนคือปัญญาตรงที่เห็นปัจจัยหลักนี้เห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี้ อุปท า, านในขันทั้งห้านี่แหละคือตัวทุกข์ถ้าจะดับทุกข์ต้องมาวางอุปท า, านในขันทั้งห้าก็คือต้องมารู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ของเราจริงเป็นแค่อุปท า, านของเราที่ไปยึดมั่นถือมันว่ามันเป็นของเรามันจริงเป็นทุกข์ถ้าเราวางเห็นชัดเจนว่าไม่ใช่ของเรานี่คือวางอุปท า, านได้ทุกข์ก็ดับไปได้ แล้วก็ให้ตั้งใจเอาไว้ย้ำตัวเองอยู่เลยข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกนวัตตังสงสารด้วยเถิดแล้วก็ให้ตั้งใจอุทิศบุญวันนี้บุญของเรามากมายมหาศาลประมาณไม่ได้แล้วให้ตั้งใจอุทิศบุญตามลำพัง